บทที่11ความทุกข์และการปล่อยวางคิดยากกว่ารรม ทุกวันนี้คนเราคิดมากเกินไปถ้าเราคิดให้น้อยลงชีวิตของเราจะราบรื่นขึ้นที่วัดของเราในเมืองไทยทุกวันพระพระจะอดนอนเพื่อภาวนาตลอดคืนในศาลาใหญ่ มันเป็นข้อวัดปฏิบัติข้อหนึ่งของพระป่าซึ่งก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเกินไปเพราะเราสามารถพักผ่อนได้ในสายวันรุ่งขึ้นเช้าหนึ่งหลังวันพระขณะที่เรากำลังจะกลับกุฏิไปนอนชดเชยที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืน ท่านเจ้าอาวาสก็เรียกพระผู้น้อยชาวออสเตรเลียนและส่งผ้ากองโตให้ท่านนำไปซักโดยสั่งให้ท่านทำทันทีทำให้พระองค์นั้นรู้สึกท้อใจมากมันเป็นธรรมเนียมของพระเราที่จะต้องอุปถากดูแลท่านเจ้าอาวาสโดยซักผ้าให้ท่านพร้อมการปริบัติเล็กๆน้อยๆอื่นๆ ผ้าที่จะต้องซักกองมะฮืมายิ่งไปกว่านั้นการซักผ้าจะต้องเป็นไปตามวิธีการดั้งเดิมของพระป่าคือจะต้องตักน้ำขึ้นมาจากบอ่อก่อไฟต้มน้ำใช้มีดพระฟันท่อนแกนขนุนออกเป็นแผ่นบางๆแล้วใส่ลงไปในน้ำเดือดเพื่ อ, อยางของมันออกมาทำหน้าที่ผงซักฟอก นำผ้าทีละผืนวางลงในรางม้ายาวๆเทน้ำเดือดใสีน้ำตาลลงบนผ้าให้ทั่วแล้วทุบด้วยมือจนกว่าจะสะอาดเสร็จแล้วพระจะต้องนำจีวรไปตากกลางแดดในกรณีผ้าใหม่ก็ต้องพลิกกลับไปกลับมาเป็นระยะเพื่อไม่ให้สีด่างการซักผ้าแค่เพียงผืนเดียว ก็เป็นกระบวนการที่ยาวและแสนจะเป็นภาระอยู่แล้วการที่จะต้องซักผ้าตั้งมากมายหลายผืนขนาดนั้นย่อมกินเวลาหลายชั่วโมงพระหนุม่มผู้เกิดที่เมืองบริสเบนองน์นี้อ่อนล้าจากการไม่ได้หลับนอนมาตลอดคืนอาตมาสงสารท่านจริงๆ อาตมาไปที่โรงย้อมเพื่อจะช่วยท่านเมื่ออาตมาไปถึงตรงนั้นท่านกำลังสบัสาบแช่งตามธรรมเนียมบริสเบนมากกว่าจะเป็นธรรมเนียมพุทธท่านบนว่ามันช่างมายุติธรรมและทารุณซะเหลือเกิน ท่านเจ้าอาวาสจะรอจนถึงพรุ่งนี้ไม่ได้หรือไงท่านไม่รู้หรือว่าผมไม่ได้นอนมาทั้งคืนผมไม่ได้มาบวชพระเพื่อการนี้นะนี่ไม่ตรงกับที่ท่านพูดเพศหรอกนะเอาเท่าที่พอพิมพ์ได้เท่านั้นตอนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นอาตมาได้บวชเป็นพระมาหลายปีแล้ว อาตมาเข้าใจว่าท่านกำลังรู้สึกอย่างไรและรู้ทางออกสำหรับปัญหาของท่านอาตมาบอกท่านว่าคิดนะี่ยมันยากกว่าทำเยอะนะท่านจ้องอาตมาได้ตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะหนึ่งแล้วท่านก็หันกลับไปทำงานอย่างเงียบๆส่วนอาตมาก็เดินกลับไปจัมวัด มาในวันนั้นท่านมาขอบคุณอาตมาที่ช่วยท่านในการซักผ้าท่านได้พบว่ามันเป็นเรื่องจริงแท้ที่การคิดเป็นส่วนที่ยากลาบากที่สุดเมื่อท่านหยุดบนและจดจ่ออยู่แต่การซักมันก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยส่วนที่ยากที่สุด ของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือความคิดนั่นเอง